Book 2 19, 1สิบเก้าวในห้องครั ว, อ, วอุค h หิน i คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะอิมัชลี k u h ูคุ u ินู วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารอดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะล ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ t ตร b a ัมลีอกลิตีครอมปิรดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ t ตร b a m มลีโอพระตีซาลาุแก้วน้ำอยู่ที่ไหนยีสุจาเชจานชามอยู่ที่ไหน กีเย่เพอสูเจช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนกีเย่เยริบอร์ o เคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะอิมาชลีอทวาราชซาคอนเซอรเวคุณมีที่เปิดขวดไหมคะอมาชลีโอทวชซาฟลาช คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะมคุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ ค, คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก